ทิพยจักสุเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงหลักฐานจากพระไตรปิฎกที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนถ้าสามารถฝึกสมาธิได้ถึงขั้นสูงคืออย่างน้อยจะต้องได้ฌานที่สี่ก็จะสามารถมีตาทิพ์เกิดขึ้นเมื่อมีตาทิพเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถมองเห็นโอปปปาติกาทั้งหลายได้และติดต่อกับโอปปาติกาทั้งหลายได้ด้วยความสามารถอันนี้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 เป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากโดยทิพยาจักสุกอันบริสุทธิ์ซึ่งเห็นอะไรได้มากกว่าจาักสุขของมนุษย์และย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการชนีเปรียบเหมือนมีปราสาทตั้งอยู่ณทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบุรุษผู้มีจักษุดีเยือนอยู่บนปราสาทนั้นก็จะพึงเห็นหมู่ชนที่กำลังเข้าไปสู่เรือนหรือที่กำลังออกจากเรือนหรือที่กำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนหรือที่นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครฉะนั้นจึงรู้ว่าคนเหล่านี้กาลังเข้าสู่เรือนเหล่านี้ คนเหล่านี้กำลังออกจากเรือนเหล่านี้คนเหล่านี้กำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนเหล่านี้คนเหล่านี้กำลังนั่งอยู่ที่ทางสามแร่งท่ามกลางพระนครฉะนั้นข้อความจากสามัญยพลสูตรที่ข่านิกายศิลคันธวรชพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าจากข้อความในพระสูตรนี้ท่านจะเห็นว่า